ทำอะไรให้มันเป็นธรรมชาติเนี่ยสำคัญนะเพราะส่วนใหญ่เวลาพูดถึงเรื่องปฏิบัติเนี่ยเราจะมีการตั้งใจตั้งท่าตั้งอะไรตลอดถึงตั้งเจตนาซึ่งบางทีเป็นความเคยชินเก่าๆว่ า, วาเปิดไอ้พัดลมัวนิดนึงลุงนะแค่หนึ่งก็พอ ไรและออากาศความเคยชินเก่าๆว่าจะทำอะไรก็รู้สึก ต, ตั้งตั้งตั้งใจที่จะทำโดยเฉพาะในเรื่องของวัตถุเนี่ยเราตั้งใจทำได้เพราะมันสัมผัสได้รู้ถึงความาบกพร่องถูกผิดอะไรชัดเจนเบา น, นั้นก็เลยว่าถ้าเป็นไปได้ก็จะทําความเข้าใจว่าสําหรับเรื่องนมามธรรมในคนทําความเข้าใจอย่างไรถึงจะถูกคือตั้งใจอย่างไรนะส่วนใหญ่ตั้งใจมากก็มันเหมือนไล่ไลคลุบไล่ตะคุบเงาอหรือไล่ตะคุบเงามันไม่มีตัวแต่เงานี่เราจะจับมันด้วยวิธีใดวิธีปรับที่แสง ใช่ไหมถ้าสมมติว่าแสงจ้าเงาก็เงาหายหรือเงาเข้มเวลาแสงจ้าเนี่ยยมเคยสังเกตไหมเวลาเปิดไฟแสงจ้าจ้าเงามันจะหายหรือเงามันจะเข้มขึ้นนี่ท้านคอยสังเกตนะอันที่สองถ้าแสงมันลางเรือนเงามันหายเงามันเข้มขึ้นหรือเงามันหายไป หนึ่งดูกันนะแสงสมมติว่าร้อยแรงเทียนนี่นะถ้ามีอะไรไปบังมนะันเงาที่ปรากฏจะเข้มหรือจะบางหรือจะหายอันนี้ปัญหาง่ายๆแต่ไม่เคยสังเกตใช่ไหมใครสังเกตบงังคุณเล็กสังเกตไหม <laughs> ถ้าแสงเข้มถ้าแสงไอ อันนั้นวนสูงใช่ไหมร้0ยแรงเทียนสองร้อแรงเทียนส0มรแรงเทียนขึ้นไปเนะี่ยถ้ามีอะไรไปบงับงดวงมันเนี่ยเงาที่ปรากฏมันจะเข้มหรือจะจางไม่มีใครสังเกตเลยเหรอฮะฮะน่าจะชัดเคยเห็นภาพสไลด์ไหมไฟสไลด์เนี่ยสองสามพันแรงวนอ่ะเนาะ เวลาเราถ่ายภาพภาพก็จะชัดมากใช่ไหมแต่ถ้าสมมุติว่าแสงไม่พอเป็นไงภาพสไลด์เป็นไงจะเบลอใช่ไหมอ่าอันนี้อันที่หนึ่งนะอันที่สองถ้าสมมุติว่าเราอยู่ใต้แสงไฟเนะี่ยไฟนีดตรงหัวเราพอดีเนี่ยเราจะเห็นเงาเราไหมไม่เห็นใช่ไหมแต่ถ้าเราอยู่เยื้องหลอดไฟไปนิดหนึ่งเงาเป็นไงปรากฏ ใช่ไมถ้ายิ่งย่ห่างยิ่งห่างออกจากไฟที่ตรงหัวไปมากเท่าไหร่เงาก็ปรากฏมากเท่านั้นยิ่งขยับตัวเข้าตรงกับดวงไฟตรงหัวมไหร่นะเงาค่อยๆหายไปใช่ไหมอันนี้ตั้งข้อสังเกตสองประเด็นที่เป็นรูปธปรรมก่อนทั้งนี้เพื่อที่จะให้รู้ว่าตัวเงากับแสงนั่นฮอลล์าน แต่ว่าอยู่ร่วมกันได้ถ้าไม่มีแสงก็ไม่มีเงาถ้าไม่มีเงาถ้าไม่มีเงาอาจจะมีแสงถ้าไม่มีแสงจะไม่มีเงาแต่ถ้ามีเงาถ้ามีแสงอาจจะไม่มีเงาถ้ามีเงามักจะมีแสงเสมอเช่นที่ว่าเมื่อกี้ถ้าไฟตรงหัวใช่ไหมเงาจะไม่ปรากฏ นี่เขามีแสงแต่ว่าไม่มีเงาแต่ในกรณีที่มีเงาแสงเปรากฏเสม อ, อนะนี่คือหลักหมายความว่าในชีวิตของเราจะมีสองเรื่องหนึ่งความรู้สึกตัวสองกับตัวรู้คิดความคิดกับความรู้สึกตัวถ้าเปรียบเสมือนเงากับแสงสองตัวเนี่ยอันไหนควรจะเป็น แสงอันหดคนจะเป็นเงาระหว่างตัวรู้สึกตัวกับตัวคิดโยมหม่ในชีวิตของเรามีอยู่สองอย่างหนึ่งความรู้สึกสองความคิดถ้าเปรียบเสมือนแสงกับเงาระหว่างความรู้สึกความคิดอันไหนคนจะเป็นแสงอันใดคนจะเป็นเงา เป็นแสงสว่างนควรู้สึกตัวนะคนใหม่ๆก็งงเหมือนกันไม่ร้วยหลวพ่อจะเอาแบบไหนเหมือนกันนะความรู้สึกตัวเป็นแสงนะความคิดเป็นเป็นเงาแต่เราใช้ชีวิตจริงเนี่ยเราวิ่งตามแสงหรือวิ่งตามเงานั่นไงหลวงพ่อบอกว่าไล่ไล่ไล่เงาเหนื่อยนะใช่ไหมเพราะนั้นวิ่งตามเงาเนี่ยยิ่งวิ่งมันก็ยิ่งนำหน้าเราไปเรื่อยๆแต่ทําไมเราจึงวิ่งตามเงาไม่วิ่งตามแสง เราไม่รู้เพราะอวิชชาเพราะอวิชชาเพราะนั้นการมาปฏิบัติวิปัสนาเพื่อที่จะให้เกิดตัวรู้ตัวนี้ให้เห็นชัดๆว่าชีวิตของเราเนี่ยเหน็ดเหนื่ยนยอยเพราะเงานะไม่ใช่เหน็ดเหนื่ยนยอยเพราะแสงแต่เพราะอะไรเราจึงเหน็ดเหนื่ยอยเพราะเงาก็เพราะาเราวิ่งตามเงาแสงมีอยู่แล้วส่วนใหญ่ที่เราวิ่งตามเงาเนะี่ยวิ่งไปทางตะวันตกหรือวิ่งไปทางตะวันออก ถ้าคนวัยต้นตั้งแต่หนึ 5, ่งถึงห้าหนึ่งถึงสี่สิบเนี่ยมันวิ่งไปทางตะวันออกแสงอยู่ทางตะวันตกแต่คนตั้งแต่วัยสี่สิบขึ้นไปเนี่ยก็จะหันหน้าวิ่งไปทางตะวันตกแต่แสงอยู่ทางตะวันออก ต่านั้นคนไวัยไหนที่วิ่งแล้วไม่เห็นเงาตัวเองฮะไ <c oughs> อ, ะอะหกสิบคนที่วิ่งตอนเที่ยงถ้าที่จะตรงหัวผ้าที่จะตรงหัวพอดีเ <c oughs> อกลางคนไม่ใช่กลางคนคนที่อยู่ตรงกลางไม่ใช่กลางคน คนที่อยู่ตรงกลาง <c oughs> คนที่อยู่ตรงกลางระหว่างอดีตและอนาคตจะไม่เห็นเงาคือไม่มีความคิดคนหนุ่มเห็นความคิดอนาคตเห็นเงาของอนาคตใช่มแต่คนอายุเกินกลางคนไปนแล้วเห็นเงาของอดีตคนอายุมากขึ้นชอบคิดนึนอดีตใช่ไม ไม่ค่อยมีอนาคตแต่คน ย, ยังหนุ่มอยู่คิดถึงอนาคต <c oughs> ก็จะวิ่งตามเงาตะวันออกดัง น, นั้นในที่นี้ที่ปาลบเรื่องนี้อยากจะบอกแล้วว่าเราควรที่จะไม่ไม่วิ่งตามเงาแต่ควรจะเอาแสงสว่างมาอยู่ตรงกลางใจถ้าแสงสว่างอยู่ตรงกลางใจเราจะไม่วิ่งตามเงาแต่เราเอาแสงสว่างมาอยู่ นำหน้าและข้างหลังเสมอแตอ่เอาความคิดมาไว้ตรงกลางแต่แทนที่จะเอาความรู้สึกตัวมาไว้ตรงกลางะฉะนั้นการที่เรายกมือสร้างจังหวะก็ดีการทำความรู้สึกตัวก็ดีเพื่อที่จะปรับให้ความรู้สึกตัวมาอยู่ตรงกลางใจแต่ที่ตลอดเวลานั้นมาอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังเราเหมือนพระอาทิตย์ะถ้าอยู่ข้างหลัง <c oughs> อยู่ข้างหลังเราเงาอยู่ข้างหน้าพระอาทิตย์อยู่ข้างหน้าเราเงาอยู่ข้างหลังเพราะนั้นเราก็เลยต้องเหน็ดเหนื่อยเพราะความคิดนะทีนี้เราจะมีวิธีอย่างไรที่จะเอาความรู้สึกตัวมาไว้เป็นศูนย์กลางของก็ต้องปรับปรับให้จิตกลับคืนมาแต่ทําไมจึงทํายากก็เพราะว่าเรายัางไม่รู้จัก อันไหนเป็นแสงสว่างอันไหนเป็นเงานี่คือทำยากนี่แต่เราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นความคิดอันนี้เป็นแสงสว่างก็ต้องมาปฏิบัติฉะ น, นั้นตัวรู้สึกตัวที่เรายกเนี่ยตัวแรกๆ เ, เป็นแสงสว่างบางๆนะยังไม่ชัดว่าอะไรเป็นอะไร ก, ก็ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าเราเริ่มทำไปทาไปแล้ว เราค่อยเปรียบเทียบศึกษานะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อจะเอานะเรียบเทียศึกษาว่าสมมติว่าระว่างหรือยกก็ไม่ยกในต่างกันยังไงไม่ยกรู้สึกแบบแบบไหนอธิบายถูกให้แทนถ้าไม่ยกมือเนี่ยรู้สึกแบบไหนถ้ายกมือรู้สึกแบบไหนอธิบายถูกไหมลองลอ ง, ลองทำดูระหว่างยกก็ไม่ยกเปรียบเทียบให้หลวงพ่ดูนะะอ่าความรู้สึกต่างกันยังไง เ้าทําไปนานๆดิเราจะรู้เห็นความต่างแทนไทยทํำไปนู้นและอธิบายหลวงพ่อฟังระหว่างในช่วงที่ไม่ยกความรู้สึกมันเป็นแบบนี้ยแต่เรายกความรู้สึกมันเป็นแบบเนี้เห็นความแตกต่างระหว่างทั้งสองอย่างนี้ไหมช่วงที่เรายกมือเหมือนกับเราไม่ได้ปรับโฟกัสของเราเรากดไปใช้นะแสงไฟฉายมันจะเบลอกว้างใช่ไหมแต่พอเรายกเหมือนกับว่าเราหมุนโฟกัสรวมมาเป็นจุดเล็กๆเราจะเห็นชัดขึ้นอ่า แสงของไฟฉายที่เราหมุนโฟกัสกับไม่หมุนโฟกัสเนี่ยความใกล้ไกลนี่ต่างกันยังไงความลึกของไกลต่างกันใช่ไหมถ้าเราปรับโฟกัสให้เล็กลงมันจะส่งไปได้ชัดได้ไกลแต่ถ้าหากว่าโฟกัสมันกว้างอยู่เราก็จะส่งไปเห็นใกล้ๆชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะนั่นการยกมือคือการปรับโฟกัสให้จิตมารวมอยู่ณนะจุดใดจุดหนึ่งของของกาย นะแล้วก็จะเห็นชัดว่าอะไรเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นในใจของเราแต่ถ้าเราไม่ไม่ยกหรือไม่กำหนดรู้ไม่ได้ตามรู้เนี่ยมันก็จะเห็นเหมือนกันแต่ลางๆเบลอๆเหมือนกับไฟสายที่ไม่ได้โฟกัสและส่งไปไกลก็จะเห็นเบลอๆอันนี้คือความหมายของการยกหรือไม่ยกนะทีนี้ตัวปรับโฟกัสมันมีนมอยู่สี่เลนเขาเรียกว่าสี่เขานับ เลนว่าไงคุณเล็กหน่วยของเลนเนะี่ยเขานับอย่างไรหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยอย่างนั้นด้วยวะอ่าหนึ่งร้อยได้แค่นี้ใช่ไหมสองร้อย 200, ไกลออกไปสี่ร้อยเกตไกลในการฝึกสติเนี่ยในการโฟกัสของจิตมันก็ยังมีสมมุติข้าวไว้สี่ร้อยก็แล้วกันถ้าจเจริญสติตำรวดรู้เฉพาะกายเนี่ยเท่ากับ โฟกัสได้หนึ่งร้อยล้วไปชั้นที่สองเขาเรียกวิทนาไปดูเวทนาที น, นี้เรานั่งนี่มีเวทนาตัวไหนชัดเห็นไหมเวทนาตัวนี้ของเราเป็นไงบ้างสบายหรือไม่สบายไม่สบายแล้วสบายตัวเวทนาทางกายจุดไหนที่เห็นชัดตัวนี้เรานั่งตรงนี้เวทนาจุดไหนเห็นชัดกว่าแตโ่โฟก ใช่ไหมท้่กุดสูดเท่ากับพื้นใช่ไหมแต่เวลาเราขยับปั๊บเวทนาตัวนะั้นเป็นไงหายไปเบาไปใช่ไหมเวลาเรานั่งไปใหม่การได้เห็นที่ขยับการขยับปับเปลี่ยนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตัวนี้เป็นเลนชั้นที่สองขึ้นไปอีกเป็นสองร้อยชัดขึ้นกวเดิมนะแต่ถ้าเราดูทั้งสองอย่างนะกายดูกายได้ดูในส่วนไหนของกายดูส่วนที่มันเคลื่อนมันไหวทั้ง ไอ้ตัวเคลื่อนไหวที่ทางกายเนี่ยเราก็จะมีแบ่งไปอีกสองส่วนคือส่วนที่เป็นหลักและส่วนที่เป็นรองส่วนที่เป็นหลักอีมีอยู่สี่จาได้ไหมโยมมียู่สี่ 4. คืออะไรยืนเดินนั่งนอนใช่ไหมตัวนี้เราอยู่ในอียิปต์นั่งเรารู้ว่านั่งไหมรู้ นั่งอย่างไรนั่งตัวตรงนั่งตัวค้อมนั่งตัวเอียงนั่งขัดสมาธิหรือนั่งทับส้นอันนี้ก็จะเห็นชัดลักษณะเห็นเห็นการนั่งชัดนี้เป็นอิบุตรหลักอันที่หนึ่งนะแล้วในตัวนั่งเนี้ยมีอิบทเรย่อยอย่างอื่นมีไหมมีใช่ไหมคขับตามีไหมมีอ้าปากหายใจลึกตื้นนี่เขาเรียกว่า ตัวเคลื่อนไหวรองตัวเคลื่อนไหวหลักมี4ยืนเดินนั่งนอนตัวเคลื่อนไหวรองมีเยอะพับต า, าปักหายใจเร็วสายแรงกวา่าก้มเงยหยิบหยับจักชวยถ้าไปดูทางกายให้เต็มร้อยก็ดูทั้งสองส่วนส่วซในส่วนเคลื่อนไหวหลัก50ซในส่วนเคลื่อนไหวรองอีก50เปซ็นเป็นโฟกัสเลนหนึ่งหนึ่งอพอดีใช่ไหมหนึ่งร้อยท น, นี้มันในส่วนของกาย อันแบกย่อยไปเยอะนะแต่เอาแค่สองอย่างเนี่ยอีบทใหญ่ดีบทย่อยนะแต่ในส่วนของกายในส่วนละเอียดลงไปที่เรามองมาเห็นมอะไรบ้างลมหายใจธาตุสีอาการสามสิบสองความสบายไม่สบายในกายเขาเรียก อ, อสุภะความที่ร่างกายของเราไม่ไม่ดีไม่งามนี่นะ นี่คือในส่วนของกายก็จะมองนะคอันนี้เป็นเลนส์ส่วนที่หนึ่งถ้าเราดูส่วนนี้ชัดเลยว่า เ, าเต็มร้อยแต่ถ้าดูไม่ชัดเต็มร้อยไหมเฉพาะส่วนที่หนึ่งก็ไม่เต็มร้อยแล้วมันจะเหลือแค่เท่าไรเจ็ดสิบแปดสิบห้าสิบหกสิบแต่ถ้าเราปรับเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเต็มร้อยความดูกายก็จะชัดเลนส์ก็จะชัดเวลาเราโฟกัสดูในขณะที่ตัวความรู้สึกตัวโฟกัสมันชัดเนี่ยจิตของเรา จะล่องลอยหรือถูกหลุดไปอื่นได้ไหมไม่ได้เพราะตัวนี้มันชัดมันคมกว่ามันก็ดูซูมภาพได้หรือแต่ว่าได้หนึ่งร้อยเท่านั้นนะสมมติว่าเป็น4ี่ร้อยอะรกันแต่ที่นี้ในขณะที่เรานั่งเนี่ยมีเวทนาส่วนอื่นไหมความเวทนาสบายไหมสบายมีไหมมีใช่เวทนาเฉยเฉยมีไหมมีเราก็เข้าไปตามดูอีกทั้งสามตัวเนี่ยโอ้ไม่สบายไปอย่างนี้เห็นชัดอ๋สบายไปอย่างนี้เห็นชัด เอาความรู้สึกเฉยๆเปอย่างนี้ก็เห็นชัดก็อีกก็ได้อีกเป็นสองร้อยโฟกัสตรงนี้จะสูงขึ้นนะซูม ส, สูงขึ้นได้ถึงสองร้อยมีกี่ร้อยหนึ่งมันไอชัดแค่จากนี่ไปถึงประตูพอสองร้อยจากนี่ไปอีกสิบเมตรชัดอยู่ซูมภาพเข้ามาร้อยที่สองเพราะในตัวเวทนามีสามชั้นนั้นร้อยที่สองเนี่ยแบ่งเป็นสามชั้นชั้นละสมสิเปอร์เซนต ถ้าดูแต่ความไม่สบายชัดแต่ความสบายดูเหมือนกันไม่ชัดความรู้สึกเฉยก็มีอยู่แต่ดูไม่ชัดตอนนี้ก็ร้อยที่สองก็จะหย่อนลงมาเหลือร้อยหสิบร้อยสิบร้อยสิบไม่เต็มสองร้อยเพราะเวทนามีสามตัวตัวละสาตัวละสิกว่าอย่างเงี้ยสามสิสามจุ ก, กว่าอันนี้คือคือเราดูละเอียดแบบนี้คือเปรียบเทียบให้เป็นรูปธรรมเพื่อที่จะได้เห็นว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยมันเป็นรูปธรรมไม่ได้มีอะไรซับซ้อน แต่ว่ามีรายละเอียดเข้าใจไหมมีรายละเอียดนั้นรายละเอียดเรื่องนี้เรียกว่าดูด้วยความแยกคายอันนี้ภาษาพระนะดูด้วยโยนิสุมนสิการโยมเคยได้ยินคำนี้ไหมโยนิสุมานสิการไม่เคยเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นคนใหม่แท้ๆเลยนะแต่โยมผู้หญิงเคยเนาะอะเคยได้ยินเพราะว่าเคยภาวนาเมื่อก่อนนะาะว่าโยนิสุมานสิการเอาละทีนี้ ได้สองสองเลนลนะเลย น, นะเลนละหนึ่งร้อยนะเดีไปเลนที่สามเลนชั้นที่สามเมื่อกี้เนี่ยเลนชั้นที่หนึ่งเฉพาะกายเนี่ยอาจจะได้สิบเมตรพอไปซูมเลนที่สองก็ได้ยี่สิบเมตรพอไปซูมเลนที่สามได้สามสิบเมตรจากนี่สามสิบเมตรดึงเข้ามานี่ชัดเจาวเลยเลนที่สามนี่คืออะไรเลนที่สามนี่เรียกว่าจิตตานุปัสสนาที่เราส่วนเมื่อกี้ อิเตจิตานุปสิวิหารติอาตาปีสติมาสัมปชานโนวินัยโลเกอภิชาโูมนาสังที่เราสวดไปเมื่อกี้จําได้นะว่าพิจารณาดูกายกันเคลื่อนไหวกันอย่บละเอียดรู้ชัดดูกายเป็นละอันที่สองดูเวทนาคือความเย็นล้อนอ่อนแข็งเข่งตึงของร่างกายก็รู้ชัดความพอใจไม่พอใจความรู้สึกเฉยเฉยก็รู้ชัด ความหนักความเบาความสบายไม่สบายก็รู้ชัดอันนี้ส่วนที่สองรู้ละรู้ชัดเป็นขนาดขนาหรือรู้ชัดเรื่อยๆรู้ชัดเรื่อยๆพอมาอันที่สามนี่หมายความว่าอันนี้นักปฏิบัติขั้นสูงขึ้นไปละแต่ขั้นต้นเนี่ยขั้นรูปนามเนี่ยให้ให้ชัดอันที่หนึ่งที่สองนี่ก่อนอย่างน้อยมีการซูมเห็นรายละเอียดของกายของเวทนาได้ชัด นะได้ชัดนี่เขาเรียกว่าในขั้นรูปนามพอในขั้นตัวที่อยากขึ้นไปถึงเรื่องของความรู้สึกตัวที่เป็นนามรูปเป็นความคิดเห็นความคิดชัดๆเนี่ยต้องไปขั้นที่สามแล้วทีนี้ความคิดมีกี่อย่างโยมเคยคิดมานานหรือยังคิดตั้งแต่เมื่อไรเคยหรือไมยคิดตั้งแต่เกิดแสดงคิดมานานมากงั้นก็ต้องรู้ดีสิว่าความคิดมีกี่อย่าง โยมอยู่วัดมานานคิดมานานแล้วด้วยเนาะแต่คิดมาตลอดชีวิตเนี่ยรู้ไหมความคิดมีกี่อย่าง <c oughs> เรามั ก, กัจะได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่ว่ากิเลสตัณห้าตัณหา108ร้อยแปดใช่ไหมกิเลสพันห้าตัณหา108ร้อยแปดโยมเชื่อไหมเชื่อนะ ทำไมต้องพันห้าเลยทำไมต้องร้อยแปดไม่มากกว่านั้นนะพันห้าตั้งห้าร้อยแปดนั่นหมายความว่าจิตของเราเนี่ยเวทนามีเท่าไหร่นะเมื่อกี้ที่ว่าไปเมื่อกี้ความรู้สึกสบายไม่สบายเฉยเฉยใช่ไหมเวทนามีสามตัวเวทนาเนี่ยจะไปทําให้เกิดจิตถ้าเวทนามีสามจิตก็ต้องมีเท่าไหร่มีสามด้วยเวทนามีสามมีเวทนาอะไรบ้างยม อันธ่ารถูกทุกข์เฉยสบายไม่สบายนะสบายไม่สบายเฉยๆตามภาษาสุขเวทานาะทุกเวทานาะอทุกขโมสุขเวทานาะตามภาษาเราก็รู้สึกสบายไม่สบายถ้าจะสมมุติความรู้สึกสามตัวที่เป็นภาษาเนี่ยนะความรู้สึกสบายในคนจะเป็นกุศล <r weird? S 1> หรืออกุศลความรู้สึกไม่สบายคนจะเป็นกุศลหรืออกุศล คามรู้สึกเฉยๆควรจะเป็นกุศลและอกุศลความรู้สึกเฉยๆเอ่ะเป็นกลางๆเนี่ยควรจะเป็นกุศลแลอะอกุศลอความรู้สึกความรู้สึกสบายเป็นได้ทั้งกุศลแลอะอกุศลเช่นกินเหล้าโอ้สบายใจได้กินเหล้าอ <laughs> ได้ไปอทํา อะไรล่ะไปกินเหล้าไปเล่นไพ่สนุกสนานสบายใจใช่ไหมแต่ว่าการทำนี่เป็นกุศลหรืออกุศลเป็นเพราะฉะนั้นความสบายเป็นทั้งกุศลก็มีไม่เป็นไม่เป็นเป็นทั้งกุศลก็มีอกุศลก็มีความรู้สึกไม่สบายเป็นกุศลหรืออกุศลเป็นได้ทั้งสองอย่างมานั่งนี่ไม่สบายเนี่ยใช่ไหมสบายที่ไหนทรมานได้แต่ว่าเรามาทําในสิ่งที่เป็นเพราะนั้นความรู้สึกนี้ถึงจะไม่สบายแต่มันก็เป็นกุศล ใช่ไหมเอาละไฟมีสองชนิดหนึ่งไฟที่หุงข้าวต้มแกงสองไฟที่ไม้บ้านเป็นไฟเหมือนกันนะไฟชนิดไหนคนจะเป็นกุศลไฟชนิดไห่อยเป็นอกุศลไฟไม้บ้านเป็นอกุศลไฟหุงข้าวต้มแกงเป็นกุศลแต่ก็ร้อนเหมือนกันใช่ไหมทำไมมันต่างกันนะอันหนึ่งเป็นกุศลอัหนหเป็นอกุศลเพราะไฟนั้นใช้ประโยชน์ได้ใช่ไหมที่ว่าเป็นกุศล ไฟที่มันทําให้เกิดความเสียหายเป็นอกุศลความลำบากที่ก่อให้เกิดความประโยชน์ก่อให้เกิดความสบายเป็นกุศลความลำบากที่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากลำบากและไม่สบายใจด้วยไม่สบายกายด้วยเป็นอกุศลนะอันนี้ต้องต้องดูด้วยนะทีนี้อันที่สามมันมีคําว่าจะว่าสบายก็ไม่ใช่ไม่สบายก็ไม่เชิงในภาษาท่านใช้อทุกขมสุขตัวนี้เป็นกุศลแล้วเป็นอกุศล ยมความรู้สึกเฉยๆเป็นกุศลและอกุศล อ, อันที่สามนี่เป็นอัพยากตะอัพยากิจยังพยากรณ์ไม่ได้อัพยากตาธรรมาใช่ไม่มกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอภยากตาธรรม า, า, ม า, า, มาเวลาสวดเพราะฉะนั้นธรรมที่เป็นกุศลก็มีอกุศลก็มีธรรมไม่เป็นทั้งกุศลอกุศลก็มีเพราะฉะนั้นตัวนี้จึงเป็นตัว จะเป็นกุศลก็ได้เป็นอกุศลก็ได้ถ้าหากว่าเราไปสบายในส่วนที่ดีก็เป็นกุศลไปสบายในส่วนที่ไม่ไม่ดีก็เป็นอกุศลไปถ้าทุกข์ที่เป็นในสายดีก็เป็นกุศลไปเช่นทาการทางานเนี่ยเพื่อหาเงินเลี้ยงครอบเรื่องครัวเนี่ยมันไม่สบายหรอกใช่แต่มันก็เป็นกุศลเพราะว่าประกอบอาชีพสุจริตการงานสุจริตแต่มันก็ทุกข์อ่ะ อ่าทั้งป่าฟันไม้ขุดดินฟันไม้ปลูกยาปูคาตัดไม้เลื่อยไม้พวกนี้ทุกแต่ว่ามันเป็นกุศลเพราะว่าเราทำอาชีพ จ, จริตนะดังนั้นในความรู้สึกในชั้นที่สานี่นะที่เรากำลังว่ามิติที่สามของการเฝ้าดูนะคือเฝ้าดูอาการของจิตว่าจิตนี้วันนี้สบายกี่ครั้งไม่สบายกี่ครั้งคิดดีกี่ครั้งคิดไม่ดีกี่ครั้งรู้สึกอชอบกี่ครั้งรู้สึกเกลียดกี่ครั้งแล้วก็จะเห็น การเห็นจิตละเอียดอย่างนี้เรียกว่าโฟกัสลุ่มยาวออกไปอีกสาสเมตรนะหรือสามร้อยเมตรก็ได้ถ้าสมมุติว่าซูมชั้นที่1ได้ร้อเมตรซูมขั้นที่2ได้200รอเมตรซูมขั้นที่3ามสามรอยเมตรเรากาหนดสมมติเอานะมันก็จะดึงภาพสามรอเมตรเข้ามาอยู่ใกล้ะจะเห็นภาพชัดนกเกาะ อ, อยู่ปลายไม้นูนแต่ไมาซูมเข้ามาเห็นชัดเลยใช่ไหมเหมือนกับเราดูหนังสารคดีใช่ไหมนก สัตว์มันอยู่ที่ไหนไม่รู้แต่ว่ากล้องอยู่นี่มันซูมเข้ามาฉันใดก็ดีจิตของเราเนี่ยมันคิดไปไกลขนาดไหนก็สามารถดึงเข้ามาเห็นใกล้ๆจิตของเราล่องลอยไปถึงไหนไม่รู้แต่ว่าดึงจิตเนี่ยเข้ามาเห็นใกล้ๆตัวนี้คือเลนซูมนั้นหมายถึงคนนั้นรู้จักปรมัตจักะคิดถึงอดีตแต่เห็นอดีตใกล้ชัดมากไม่เบลอจําได้ชัดมาก ลักษณะสูงเข้ามาหเห็นภาพอดีตชัดนี่ไม่เรียกว่าเป็นสังขารแล้วนะเรียกว่าเป็นอตีตังสยามแล้วดึงภาพอ <c oughs> นาคตข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นหน้าซูมก็ไมา่เห็นใกล้ๆว่าเรื่องนี้มันจงเกิดในสิบปีข้างหน้าแน่นอนเนี่ยเห็นชัดเลยตรงนี้ไม่เรียกว่าปุงแต่งฟุงงซ่านวิสังขารเรียกว่าอะไรอนาคตังสยามเออเรื่องผ่านไปตั้งยี่สบสาสิบปีแล้วตั้งสมัยเป็นเด็กจําได้ชัดเลยว่าฉันไป ตีหัวหมาด่แม่จ๊ที่ไหนจําได้ชัดเลยร ล, ลึกเหตุการณไ์ได้ชัดเลยตรงนี้เขาไม่เรียกว่าปรุงแต่งฟุ้งซ่านเขาเรียกว่าอะไรอดีตดังสยานนี่เห็นไหมเลนที่เกิดจากการดูความรู้สึกชัดๆเนี่ยมันขยายจากไกลเป็นใกล้ทีนี้มาดูปัจจุบันเนี่ยฉันนั่งอยู่ตรงเนี้ยฉันเห็นหมเลยตังหัวจุดเท้าในตัวของเราฉันสกแกนเห็นหมดเลยความรู้สึกแต่และ จุดเปไ็นไงจากนี่มาถึงนี่รู้สึกเป็นไงจากนี่มาถึงนี่รู้สึกเป็นไงจากนี่มาถึงเอวรู้สึกไง elier? จากเอวไปถึงเท้ารู้สึกไงสแกนเห็นตนัวเองได้ชัดตลอดตรงนี้ก็ไม่เป็นการเพ่งการช่องแต่เห็นด้วยยานตรงนี้เรียกว่าปัจจุบปนนังสะจยานเห็นไหมกลายเป็นยานไม่ใช่เป็นความคิดอดีตอนาคตละมันกลายเป็นเผลความรู้สึกตัวที่เห็นอดีตปัจจุบันอนาคตมันกลายเป็นยาน แต่ว่าเราไปความคิดถึงอดีตอนาคตโดยที่ไม่รู้สึกตัวมันกลายเป็นสังขารใช่ไ้ยกลายเป็นจิตแต่สังขารต่างกันนะเห็นด้วยความคิดกลายเป็นสังขารเห็นด้วยความรู้กลายเป็นยานนะสิ่งเหล่านี้เป็นไปได้ตรงที่การฝึกฝนไม่ยากแต่ว่าความฝึกฝนเราจะเพยียงพอไหมนี่คือเราถึงขยันทำ ถ้าหากว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราเรารู้ล่วงหน้าก่อนดีไหมดีแต่มีสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราแต่เราไม่รู้ล่วงหน้าเรามีการระมัดระวังไหมไม่มีแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้ า, าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเราเราก็ระมัดระวังแก้ไขปรับล่วงหน้าได้รู้ว่าขับรถไปตรงนี้มันเกิดมีหลุมมีบอม่อมีต้นไม้ทับทางตรนนั้นเรารู้ซสก่อนเราก็ไม่ไปทางเส้นนั้นใช่ไมรถก็ไม่เป็นปัญหา อันนี้คือประโยชน์ของตัวรู้ที่เราโฟกัสขึ้นเรื่อยๆนั้นเวลาลงมือปฏิบัติเนี่อามาจึงอยากจะให้ทำอย่างเข้าใจอย่างนี้ถ้าทำด้วยความไม่เข้าใจอย่างนี้มันรู้สึกเป็นไงท้อเบื่อขี้เกียจู้ไม่รู้ทำเป็นไงฉันทำมาตั้งนานไม่เห็นไปหน้ามาหลังเลยใช่ไหมเพราะยังไม่เข้าใจแต่ทำด้วยความเข้าใจมันจะเกิดความกระตือรือร้นในการทาปรับรงนั้นเปลี่ยนตรงนี้ เอาตรงนี้ไม่ได้ฉันเอาตรงนี้รู้เอาตรงนี้ไม่รู้ฉันทําแบบนี้ทำแบบแบบนี้ง่วงฉันแก้แบบนี้ทำงี้มันเหงาฉันแก้แบบนี้ทำอย่างนี้มันเบื่อฉันแก้แบบนี้นี่คือต่างกันแต่สําหรับคนบางคนง่วงฉันก็ง bumps, ่วงมาอยู่อย่างนี้แหละไม่แก้เหงาฉันก็เหงอยู่อย่างนี้ไม่แก้คิดฉันก็คิดอย่างนี้ไม่แก่แต่บางคนแก้เรื่อยไปสองคนที่ต่างกันไหมผลต่างกันไหมต่างแน่นอนเลยแต่มาเป็นคนประเภทนั้นคนไม่ยอมจํานวน เพราะนั้นอะไรเกิดขึ้นอย่ายอมจำนวนถ้าเบื่อแล้วไม่แก้มันก็เบื่อหนักไปเรื่อ ย, อยใช่ไหมปวดแล้วไม่แก้มันก็ปวดหนักไปเรื่อยคิดแล้วไม่แก้มันก็ฟุ้งไปเรื่อ ย, อยนี่คือผลของมันดังนั้นการที่มาได้คุกเคลียคนปฏิบัติมานี่ก็ได้เห็นประเภทอย่างนี้นแต่ถามว่าเราแก้เขาได้หมดไหมไม่ได้เราแก้เขาได้ครึ่งเดียวห้าสิบซ็นแต่อีกห้าสิบเปอร์ซ็นปนหน้าที่ของใครหน้าที่ของตัวเขาเอง ถ้าเกินไปกว่านั้นเราไม่สามารถแล้วเราจะบอกดีคนไหนก็แถ้าเขาไม่ทำอ่ะหรือทำเหมือนกันแต่ทำไม่ถูกช่วยได้ไหมไม่ได้นะเพราะฉะนั้นการที่ครูบาอาจารย์มาณตรงนี้มาทำหน้าที่เพื่อเป็นเพื่อนบอกแต่อย่างมากที่สุดช่วยได้กี่เปอร์เซนต์ห้าสิเปอร์เซนตามาทำเต็มที่แต่หน้าที่อเมาห0สเปอร์เซนะแต่ยมทําของตัวเองได้สัก แต่คนใหม่ไม่ต้องวอรี่พรุ่งนี้หนุ่มพ่อจะต้องเพิม่มให้หกสิบเปอร์เซ็นตะ์เนะันนนร้อยเปอร์ซ์ไม่ได้เออช่วยไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านช่วยไม่ ไ, มได้เลยท่านยังบอกว่าอาฆาตาโรตระท่าฆาตตานะเราทัพก็เป็นพวงชี้ทางแล้วนะไอเรื่องเดินไม่เดินไปเรื่องของเธอนะ่ยเห็นไหมอาฆาตตาโรตระท า, าตาอา่าท่านใช้คําว่าอย่างงี้ตนะุมเฮฮิกจังอาตะปัง ความเพียรเป็นสิ่งที่เธอต้องทําเองอ่าอาาตาโรตาทาคาตาเราะตาเราโคตเป็นแต่เพียงผู้บอกปฏิปั น, นาประโมกขันติมาราพันธนาชายินโน ม, มาราพันธนาผู้ใดที่ตั้งใจทําได้ถูกต้องผู้นั้นจะไปถึงเป้าหมายจุดหมายปลายทางนี่ท่านบอกอย่างนั้นนะดังนั้นจึงไม่ต้องท้อเลยว่าพวก ครูบาอาจารย์หลวงพ่ออยู่ที่นี่เดินไปถึงตรงไหนมันรู้สึกไม่แน่ใจมันไม่ใช่ก็ถามถามท่านบอกก็เดินเดินไปอีกหน่อยโอ้มันตรงนี้มันทางสามแห่งเนีย่ยไปทางไหนแน่หลวงพ่ อ, อะจะไปทางนี้หรือไปทางนี้หรือไปทางโน้นหลวงพ่ อ, อต้องไปทางนี้อย่าไปเลี้ยวซ้ายอย่าไปเลี้ยวขวาไปทางตรงเลยอ่าเขไปทางตรงอันนี้คือความเป็นหน้าที่ของหลวงพ่อเอาไปถึงที่อีกที่หนึ่งมันไม่ใช่สามแยกเมันเป็นหแยกไงไปหเอาเลวหาใครก็ไม่เจอแล้วที่ในห้าแยกตตัดสินใจยังไง ในกรณีทําไงไปเจอทางห้าแยกจะไม่รู้จะไปทางไหนป้ายก็ไม่มีบอกแต่ต้องถามคนแถวนั้นแต่ดูแล้วไม่มีใครสักคนเนี่ยวิธีการทําไงโยมเวลาเดินทางเออไม่ใครเลยแถวนั้นฮนะเราเอออโยมทําไงไปเจอทางห้าแยกจะถามใครก็ไม่ได้แล้วก็ไม่เคยไปด้วยถึงจะไปทางไหนดี จะทำยังไงก่อนนะในแทนจะทำงไงไปเจอทางห้แยกเนะี่ยเธอจะไปทางไหนทำเคยก็ไม่ได้ไม่มีใครอยู่แถวนั้นนะฮะจำจีจจจ้หมายความว่าไอ้ไทยทำไงพี่น้องสองคนความคิดคงไม่เหมือนกันหรอก <c oughs> แทนบอกว่าจำจีจ้ ทางไปเลยมากที่สุดนะแตสินใจผิดเข้าไปผิดเลยใช่ไหมแล้วก็แต่ว่าไปแล้วแต่ว่าก็ต้องจําทางาบบาแล้วก็กลับมาจนตัวไม่ได้ก่อนาสมมติไปแล้วก็รู้สึกว่ามีก็ต้องกลับมาไม่ได้ไหลวงพ่อหลวงพ่อยังจะไม่ไปหลวงพ่อจะอยู่แถวนั้นแหละจนกว่าคนจะมา <laughs> <laughs> <laughs> จนมันจะต้องมีอะไม่ทางเรือ่องหายแยกไม่มีคนผ่านได้ไง แต่ว่าต้องรอหน่อยนั่นเองอ่ ะ, อะเล่นมาอยู่ตรงนั้นอ่ ะ, อะใครอยู่แถวนีน้ใครอยู่บ้านแถวนี้บ้างมองหาบ้านใครอยู่ใกล้ๆบ้างาลุกอราวแถวนั้นแหละอ่ะอไม่สมัยนั้นยังไม่แผนที่สมัยโบราณมากทรายก็ไม่มีแผนที่ก็ไม่มีนั้นหมายความว่าบางครั้งเราไปเจอเอ๊ฟุ้งซ่านก็ฟุ้งขี้เกียจก็ขี้เกียจงุดงิดก็งุดงิด ง่วงก็ง่วงสงสัยก็สงสัย น, นี่ทางห้แยกหมายถึงอันนี้นะหนึ่งขี้เกียจสองหงุดหงิดสามฟุ้งซ่านสี่ง่วงห้าดังเล่ห้าแยกจะไปแยกไหนดีเนะี่ยไม่เอา <laughs> ไม่เอาสักแยกเลยไม่เอาสักแยกเลย <laughs> พอไปถึงทุ่นี้ทางห้แยกโอ้มันไม่ใช่ทางะนะก็กลับมาทางเดิมไปทางใหม่นะอันนี้คือ เปหมายว่าเพื่ออะไรหลวงพ่อจึงชี้แนะเรื่องนี้แล้วแล้วเราเล่าเพื่อที่จะให้เห็นว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถ้ามันจับทางชีวิตจิตใจไม่ได้มนุษย์มันอยู่เป็นทุกข์ทรมานจริงจริงคือความไม่ชัดเจนในเส้นทางของชีวิตอะไม่รู้จเจวยังไงใช่ไหมอนาคตไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นพึ่งสามีวันหนึ่งสามีก็ตายไปพึ่งภรรยาวันหนึ่งภรรยาก็ตายไปพิ่งลูกอยู่วันหนึ่งลูกก็ต้องหนีไปทางอื่นใช่ไหม พึ่งใครก็พึ่งตัวเราเองตัว เ, เองก็ยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนว้าเวิไหมว่าเวิเลยเงียบเงามาดังนั้นในขณะที่มีชีวิตยอยู่นะยังไม่ป่วยไม่ตายต้องรีบหาสั่งให้เจอห้ที่พึ่งตัวเองให้เจอก็แล้วกันถ้าเจอที่พึ่งอันนี้แล้วเนี่ยโอ้โหมันจะเจ็บมันจะป่วยมันจะตายใครจะอยู่ด้ว ย, ม ย, วยไม่อยู่ด้วยไม่แค่แล้วทีเนี้ยอยู่กับทุกสิ่งได้อยู่กับต้นไม้ใบหญ้าภูเขาเทววันได้หมดเลย จะอยู่ที่ไหนจะไปที่ไหนจะกินที่ไหนไม่กลัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดของสําหรับเข้าถึงสภาวะนี้คือไม่กลัวแก่ไม่กลัวเกิดไม่กลัวเจ็บไม่กลัวตายไม่กลัวจนและไม่กลัวภัยแต่ไม่ประมาทนี่คือข้อดีของมันนะมันคือไม่กลัวคนเราถ้าไม่กลัวตายเช่อย่างเนี่ยมันจะไปกลัวอะไรอีกอ่ะเออนั่นน่ะกลัวจนก็คือกลัวตายนั่นแหละ ความกลัวทุกอย่างในโลกเนี่ยมันรวมที่กลัวตายเรากลัวแก่ก็คือกลัวตายเรากลัวเจ็บก็คือกลัวตายเรากลัวจนก็คือกลัวตายแล้วกลัวอะไรขึ้นมามันกลัวตายทั้งนั้นลึกๆแล้วนะแต่ว่าถ้าเราพบอันนี้แล้วเราจะไม่กลัวตายนะไม่กลัวตายอย่างประมานี้นั่งเครื่องไปตรงโน้นตรงนี้เสี่ยงต่อการตายทุกรอบเลยใช่ไหมถามว่ากลัวไหมก็ไม่กลัวแต่เราไม่ประมาทอ่าเราไม่หบาดจะทําอะไรทําอะไรสิ่งที่มันไม่กลัวได้เกิดขึ้น มันก็กลายเป็นเรื่องสนุกไปเลยนะดังนั้นในเบื้องต้นนี้ขอให้ผู้ใหม่นะให้ฝึกดูกายอย่างน้อยสี่ชั้นเนี่ยขอให้ดูได้สักสองชั้นดูชั้นกายกับชั้นเวทนาชั้นกายมีอะไรบ้างจําได้ไหมดูในไหนบ้างในในกายดูหนึ่งดูเรื่องการยืนสองการเดินสาม การนั่งสี่การ น, นอนนอนอย่างไรที่จะนอนได้ให้มันหลับวุ้วไปเลยโดยที่ไม่ต้องคิดเนี่ยนอนเป็นได้ยังนะโยมนอนหลับดีไหมเมื่อคนะืนหลับดีเพรเดินทางเหนื่อยเ <c oughs> <c oughs> ดินทางเหนื่อยดับอทีนี้คืนไหนมันเกิดนอนไม่หลับทําไงตรงนี้อย่าเสียท่านะคืนไหนนอนไม่หลับเราก็ปฏิบัติกรรมฐ า, านเลยปฏิบัติในวิธีไหน ที่จะไม่หลับก็เหมือนหลับเมื่อวันก่อนออกมานั่งเครื่องมาบอกว่าเครื่องวิ่งสองสามชั่วโมงอ้าวทำแป๊บเดียวถึงแล้ววางั้นอ๋อในช่วงที่เครื่องวิ่งเนี่ยเราเราทำอาณาปณสติน่ะดูลมหายใจลเล่นๆไปดูไปดูมามันก็หายไปเลย เมา่อตื่นอีทีเอาว่าเครื่องลงแล้วเ ง, งี้ยเอ้ยทาไมมันดึงจะไม่ถึงชั่วโมองลงแล้วยเงี้ยเพราะฉะนั้นฝึกให้ชนานาญเวลาอยู่ในสถานการณ์ขับขันนะมันก็จะดึงสติมาไว้ที่ลมหายใจปับ๊บเราจะมนั่งสร้างเคลหวะเดินชูกรือก็ไม่ได้สถานการณ์แบบนั้นใช่ไหมเรานั่งเฉยๆทาไมอะหายใจเข้าลึกหรือยาวเข้าหรือออกละเอียดหรือยาบดูลเล่นๆไปงั้นนะทําทุกทุกครั้งแม้แต่นอนก็เหมือนกันล้มตัวนอนก็ไม่ต้องว่า ถทำอื่นะดูลมหายใจเล่นๆไปดูเข้าดูออกดูลึกดูตื่นดูหยาบดูละเอียดให้เล่นไปแต่อย่าไปดูจริงจังนะถ้าดูจริงจังมันเกิดนอนไม่หลับยิ่งยุ่งอเลิศเลยตลอดนะอ่พอดูไปดูมามันก็เงียบไปเองอ่ะดูเล่นๆไปอย่าไปดูจริงอ่ะดูเล่นๆแต่ขอให้ดูนะอันนี้คือหลักสําหรับที่เราจะต้องศึกษาเอาไว้เผื่อว่า เราอะไรเกิดขึ้นกับเราเนี่ยเรามีที่อยู่นะเรามีที่อยู่อันนี้คือเรื่องที่เราต้องทำความเข้าใจในวันนี้นะแล้วก็วันนี้มีพวกที่มาศึกษาวันเสาร์ที่นี่ทุกวันเสาร์เนี่ยก็เข้ามาร่วมกับเราด้วยก็พูดเขาอยู่อย่างว่าก็ชีวิตของเราเนี่ยมันมีแค่แค่สองอย่างเท่านั้นแต่ในสองอย่างเนี่ยมันขยายขยายขยายขยายขยายขยาไปร้อยอย่างพันอย่างก็ไปจากสองอย่างถ้าคุณอยากจะสืบ สาวหาต้นตอของชีวิตคุณก็สืบไปหาจนพบของสองอย่างเนี่ยของสองอย่างนั่นคืออะไรนะแต่จะต้องพบในส่วนที่เราสัมผัสได้ก่อนนะแต่ตัวลึกๆเวลาเราสัมผัสไม่ได้สัมผัสด้วยประสาทสัมผัสไม่ได้แต่เราก็สืบ ส, สาวไปจากสิ่งที่เราสัมผัสได้ก่อนเพราะนั้นชีวิตของเราประกอบด้วยของสองอย่างคืออะไรนแทน พอใจไม่พอใจถูกไหมไทยถูกใช่ไหมพอใจสองอย่างแล้วนอกจากนั้นมีอะไรอีก2 อ, อย่างกายกับกายกับใจอาลูกกับนาำใช่ไหมแล้วนอกจากนั้นตาของเรามีกี่ตาสองตาจมูกมีกี่รู2หูมีเท่าไหร่แต่ทําไมปากมีอันเดียว ขนาดอันเดียวนี่ก็ยุ่งกว่าเพื่อนเลยนะปากนี่นะถ้ามันมีสองปากนี่คงจ ะ, ะคงจะยุ่งหนักกว่านี้อีกน ะ, ะจะยุ่งหนักกว่านี้อีกหมายความว่าหายใจเข้าเนี่ยถ้าจมูกมันทำงานไม่ได้ใช้ปากได้ปากได้เพราะฉะนั้นมีดีใจมีเสียใจมีรักมีเกลียด ของสองอย่างนะมีชอบมีไม่ชอบมีสุขมีทุกข์อันนี้ในส่วนสภาวะเพราะฉะนั้นดูไปเป็นอย่างนี้ก่อนมาจากต้นกำเนิดของมันนะสองอย่างแต่มันทำไมมันเปลี่ยนไปก็เลยเปรียบเทียบเขาว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีสองอย่างหนึ่งฮาร์ดแวร์สองคือซอฟแวร์ฮาร์ดแวร์คือตัวเครื่องซอฟแวร์คือตัวโปรแกรมแต่ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์จะทางานได้ต่อเมื่อไปทำยังไงก่อน ก็ต้องไปเปิด power อ่าไปเปิด power นี่เลยถามเขาว่าคุณเจอ power ของชีวิตของคุณหรือยังมันอยู่ตรงไหน power off on อยู่ตรงไหนตัว power ตัวเดียวนะประกอบด้วยสองใช่ไหมคือ off กับ on ถ้า off คือปิดถ้า on คือเปิดชีวิตของเราเจอหรือยังว่าตัวไหนเป็น off ตัวไหนเป็นอ n ก็เลยลงรายละเอียดทีเนี้หายใจเข้าอันไหนเป็น off หายใจออกอันนี้เป็นออนก็ถามเขาหายใจเข้าเป็นออฟหรือเป็นออนหายใจออกเป็นออฟหรือเป็นออนหายใจออกนะเนี่ยเราก็จะเลือกถามไปเงี้ยรู้สึกหนักอ่านั่งรู้สึกหนักคนจะเป็นออฟหรือเป็นออนรู้สึกเบาสบายคนจะเป็นออฟหรือเป็นออน อ่าหลับตาคนจะไปอ็อบหรือเป็นอ่อนอันนี้ชัดนะลืมตาก็ป on, ไปอ่อนเดียวว่หลับตาเป็นออบหายใจเข้าขคนเป็นออบหรืออ่อนหายใจเข้าอ็อบเหรอออนหรืออ็อบ <c oughs> <c oughs> ตรงเนี้ย <c oughs> ไปเอ่อไปดูให้ดีนะ <c oughs> อันไหนที่ทําให้เรามีชีวิตชีวาขึ้นมาเนะยเป็นออนอันไหนที่ว่าออกไปแล้วมันไม่เข้าเลยเป็นไง ออฟได้ตรงนี้ไม่เอาหนักเอาเบาแล้วเอาถ้ามีชีวิตถึงไม่มีชีวิตอพอเรากดปับ๊บมัน on, ออนคือมันร้อนละ่ะร้อนหรือหนักอันเดียวกันใช่ไหมแต่มันออนนะถ้ามันไม่อนอ่ะมันไม่ร้อนมันไม่หนักถ้ามันคอมพิวเตอร์ไม่ไม่มีความร้อนมีความหนักก็ทํางานไม่ได้ก็ะจะเป็นออฟไปเลยเพราะฉะนั้นในตัวชีวิตของเราก็มีเกิดกับมีดับเกิดคือออน ดับคือออฟมาจากตรงนั้นมีการเกิดดับการปฏิบัติธรรมก็คือตามไปเห็นจากหยาบออฟออนส่วนหยาบหยาบนี่นะไปถึงออฟออนในส่วนที่เป็นละเอียดคือออฟออนของจิตเรียกการเกิดดับผู้ทีเจ้าไปเห็นตรงนี้ก็จึงได้บรรลุธรรมเนแต่ชื่อตรงนี้ใช่คําว่าจุตูปปาตยานเห็นจุติขึ้นคือออฟอุบัติคือออนจุติก็อุบัติยานเห็นจุติแล้วบัติคือกาย เกิดดับงไงใจเกิดดับงไงตลอดเวลาท่านก็เห็นรายละเอียดของกายไปก่อนจนไปเห็นการเกิดดับของจิตทีนี้การเกิดดับของจิตเราไปเห็นมั้ได้ไหมเราจะดูการเกิดดับของจิตเราดูได้ที่ไหนโยมพรเราดูการเกิดดับของจิตเราดูได้ที่ไหนวันนี้ว่าตั้งแต่ชั้นต่ำสุดไปถึงชั้นสูงสุดเลยนะ คนอื่นคงตอบยากอยู่หรอกจะดูการเกิดดับของจิตขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้จะดูได้ที่ไหน<ม>อ่าของพทุทธิชนว่าดูกายเห็นอะไร ด, ดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นทำอ่าคือตัวกายของเราเนี่ยเป็นผลพวงมาจากการเกิดดับของจิตเพราะนั้นเราจะดูการเกิดดับของจิตก็ดูการเกิดดับของกายนี่ เราจึงปฏิบัติเพื่อให้เห็นการเกิดดับเรามาสมมติจะหมายว่าเป็นการหยุดเป็นการเคลื่อนเป็นการเกิดขึ้นเป็นการตั้งอยู่เป็นเป็นสุขเป็นทุกข์ลองสุขกับทุกข์ตรงไหนเป็นอ่อนเป็นออนอย่างเงี้ยนะพอใจไม่พอใจเนี่ยเป็นออเป็นออนมันก็จะเป็นคู่อย่างนี้ตลอดทีนี้พอเราไม่มีตัวรู้เนี่ยเราไปสำคัญการเกิดดับว่าเป็นเราเป็นออนเป็นออนนะเป็นเราใช่เราก็ทุกข์เพราะเราไปสำคัญผิดนั่นแหละ แต่ความจริง อ, ออฟออนนั้นมันไม่ใช่เป็นเรามันก็คือเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปออฟออนนี้ก็เกิดมาจากโกฎของอะไรกฎของใจรักกฎของใจระหว่างกฎของใจระหว่างกฎไตรักษกับโกฎของการเกิดดับนี่อันไหนเกิดก่อนอันไหนเกิดอันไหนกำเนิดอนันไหนเกิดดับกําเนิดไตรักษหรือใจรักให้กำเนิดการเกิดดับ ไม่หนีคนใหม่นะกล้าหาญเต่าเลยนะเกิดพร้อมกันได้ไม่ใช่ธรรมดาเนีคนใหม่แอดวร์นี่แบบนี้ออน่าสนใจนะคําตอบเกิดพร้อมกันน่ะอน่าสนอาจจะเป็นไปได้นะใช่ไหมบางิงก็เแต่ดับก็การแต่รักก็อันเดียวกันน่นแะแต่ว่าเอามาแยกพูดเท่านั้นเองใช่ไหมมาแยกพูดว่าเออเป็น ดังนั้นเองเราก็จะต้องศึกษาสิ่งเหล่านี้ไปว่าเราจึงมาสร้างตัวรู้เท่านั้นแล้วจะไปเห็นชีวิตของเราเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นไปนะเหมือนมะพร้าวที่หลวงพ่อเทีนพูดถึงเงี่ยใช่ไหมเป็นชั้นเป็นชั้นไปจนไปเห็นชั้นลึกข้างในที่สุดเมื่อเห็นชีวิตขั้นลึกในที่สุดแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วตัวเราไม่ได้มีเป็นมายาของอะไร เพรออนโปรแกรมต่างๆในคอมพิวเตอร์ถ้าเราไม่ออนมันเนี่ยมันเวิร์กไหมไม่เวิร์กนะเพราะนั้นความซับซ้อนต่างๆในจิตใจในระ่างกายเนี่ยถ้าเราไม่มีตัวรู้ไม่เปิดตัวรู้ขึ้นมาเราเจะสิ่งเหล่านั้นก็ไม่ทํางานทํางานไม่ถูกนะอันนี้คือรายละเอียดที่เราได้ลงกันในวันนี้นะเข้าใจนะทั้งหมดนี้อันใดมีอะไรไม่เข้าใจบ้าง โยมผู้ชายข้างหลังเอามาจําชื่อไม่ได้แล้วฮะนำใจนะเข้าใจนะสิ่งที่มานําเสนอนะมีอะไรน่าสงสัยไหมฮะเข้าใจนะเข้าใจดังนั้นในแต่ละวันที่ให้นั่งทาเนี่ย ม่ใหมายความว่าจะนั่งทําไปหาความเบื่อไปนั่งทําหาความคิดนั่งทําไปหาความง่วงนั่งทําไปหาความเจ็บปวดไม่ใช่นั่งทําเพื่อให้เห็นปัญหานั่งทําเพื่อให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แก้ไปเรื่อยๆนั่นเรียกว่าเราเข้าไปปฏิบฏัติธรรมแต่นั่งทําอะไรเกิดขึ้นไม่รับรู้คิดก็ไปกับมันง่ว ง, งกับไปกับมันเบื่อก็ไปกับมันอันนี้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอันนี้เรียกปฏิบัติทุกยิ่งปฏิบัติยิ่งทุก แต่ปฏิบัติทําไหมเขาอะไรเกิดขึ้นมาปรับแก้ปรับแก้ปรับแก้ปรับแก้ไปเรื่อยๆปรับแก้จนเบื่อแล้วทําไงเครื่องปรับต่อไปเพราะชีวิตมันซ้ำซากอย่างนี้แหละหายใจมาไม่รู้กี่แสนครั้งนะมันก็ยังหายใจอยู่อ่ะใช่ไหมชีวิตอยู่ด้วยความซ้ำซากกินข้าวกินปลาไม่รู้กี่หมื่นครั้งนะมันก็ต้องกินต่อไปใช่ไหมคิดมาไม่รู้กี่กีล้านครั้งแล้วก็ยังคิดต่อไปน้มยเบื่อว้างเหรอ เพราะเรามาสร้างตัวนี้คือมาสร้างทางใหม่ที่จะออกจากสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ออกจากสิ่งคืออยู่กับสิ่งอย่างนี้ยังมีความสุขที่แล้วมาเราอยู่กับสิ่งเหล่านี้อย่างความเบื่ อ, อหน่ายทอ้อถอยไม่แน่ใจแต่ถ้าเรามาปฏิบัติแล้วจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้ความสุขนะเพราะฉะนั้นในช่วงเย็นวันนี้ก็พูดคุยกันเท่านีนะ้เพื่อที่ให้เราไปทบทวนดูว่าสิ่งที่หลวงพ่อ น, นำเสนอมามันหลายประเด็นนะประเด็นหลักๆก็คือให้ มารู้จักชีวิตของเราให้เห็นว่าสิ่งที่เราจอบดูเนี่ยมันเป็นชั้นไปนะชั้นกายให้ดูอย่างนี้นะชั้นเวทนาให้ดูอย่างนี้ชั้นจิตให้ดูอย่างนี้เรื่องแรกนะแต่ขยักย้ายไทยเทซักไซสเรียบเรียงให้มันละเอียดขึ้นเพื่อเห็นภาพนะอันที่สองหลวงพ่อพูดถึงเรื่องว่าสิ่งที่เรามาทำกันเนี่ยเพื่อที่จะ ให้เห็นชีวิตมันมีแค่สองอย่างมันเกิดกันดับกันดีกันชั่วกันสุขกันทุกข์ทำสบายไม่สบายอันเข้ากันออกอะไรเหล่านี้ก็มาจากกำเนิดของการเกิดการดับนั่นเองแต่ถ้าเราไปดูสิ่งเหล่านี้ดูเพื่ออะไรเพื่อเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของเราแต่มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่เรา ไม่เห็นความสัมพันธ์ของการเกิดและการดับเราจึงไปสําคัญว่าการเกิดดับนี้เป็นของเราเป็นตัวสุขนี่เป็นของเราทุกข์นี่เป็นของเราใช่ไหมผัวเป็นของเราเมียเป็นของเราลูกเป็นของเราก็เลยไปสําคัญมั่นหมายแต่เราเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่ตัวตนเวลามันเกิดขึ้นเราก็ยังทําใจไม่ได้อยู่ดีนะวันนี้เกิดมีสามีสามีไปนอกใจเขา้าทําใจได้ไหมก็ไม่ได้ มีภรรยาภรรยาเป็นนอกใจข้าๆที่รู้เรื่องการเกิดดับอย่างดีแล้วนะก็ยังเป็นสามีของกูอยู่ดียังเป็นเมียยังเป็นภรรยาของกูอยู่ดีนี่มันรู้มันเข้าใจแต่ว่ามันยังไม่เป็นแต่ถ้ามันเป็นนั้นมันก็จะไม่มีคําว่าสามีภรรยาลูกแต่ว่ามีลูกกับนามทําตามหน้าที่ไปเท่านั้นเองอทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุดน่นมันไม่ดีก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ดีแต่ว่าเขาเป็นไปตามเหตุปัจจัยของเขาเป็นไปตามกรรมของเขา เราก็อนุโมทนาเท่านั้นเองแต่ว่าทำได้ไม่ได้ก็ตองไปฝึกดูนะอันนี้คือสรุปมาทั้งหมดในวันนี้แล้วก็ไม่ต้องสงสัยเนาะเพราะมันชัดเจนมากอะไม่รู้จะสงสัยอะไรนะก็ขออนุโมทนาสาธุใน